แต่ก่อนขี้เหลกผูกวัดพโรกมันผูกมาโดยตรมวาสเาวันทุกตัวสัตว์เออาขี้เหล็จะจูขี้เนจะตูทีนี้เวลาทำแต่ก้าด้วยการปะพติปฏิบัติบาเพ็ญมาแล้วก็ที่ดีทจะแต่แส้นะแก่ี้เหลกพอถึงท่านตรบวาสได้ที่แก่ขี้เหล็กเองไม่ต้องบังคับทำแก่ขี้เหล็กฆ่าขี้เหล็ก จมุนไปเองอย่างเดียวกันเรวาท่างเิลี่นสขาสมบ้านสดแล้วพยุติเองตีให้ภาคะวันกจ้ะนีเราพูดอย่างโก่งๆแล้วขอจากหัวใจเร า, าพูดไั้เนี่ยเรา ไ, ได้โอ้ได้อวดปฏิบัติธรรมธไปของจริงพูดปฏิบัติจริงทำไมจะไม่รู้จริง